ไดอารี่หมอดูเรื่องราวต่างประสบการณ์จากไดอารี่ของหมอพีหมอดูแนวกรรมพยากรณ์ผู้ซึ่งมีสัมผัสพิเศษและได้รับการยอมรับจากคุณดังตรินกรรมเก่ากรรมใหม่ส่งผลให้ชีวิตคุณอย่างไรการดูหมอที่ถูกวิธีและถูกคนก็เหมือนกับการได้รู้แผนที่ชีวิตอาจมีหลายคนที่มีสัมผัสพิเศษแต่น้อยคนนัก ที่จะตีความได้ถูกต้องและบอกทางแก้ได้ถูกทางและถูกทมการแก้กรรมที่ปฏิบัติได้จริงและง่ายจนไม่น่าเชื่อผลกรรมที่เคยทำไว้ส่งให้มาเกิดมาเจอสิ่งต่างๆอย่างไรแล้วกรรมดีในปัจจุบันและอนาคตสามารถเปลี่ยนดวงคุณและชีวิตคุณได้อย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับ